สิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้เฉพาะคือไม่รู้จริงกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตัวว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดหนึ่งถือเอาตามก็ดีไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตาม ในบทภาชนีคำพีวิพังแก้ความว่าถูกซักถามก็ตามไม่ถูกซักถามก็ตามก็เป็นต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดคือพ้นโทษจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพเจ้ามีรู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อ ย, อยเป็นเท็จปลอบเหล่าเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้ก็เป็นป ร, ราชิกหาสังวาสไม่ได้ในคำพีวิพังแจกบทอุตริมนุสธรรมไว้เป็นอันมากจะแสดงทั้งนั้นเกรงจะฟั่นเฟือจะกล่าวแต่ชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักนอกจากเป็นหัวข้อสำหรับผู้ได้เคยสนใจในที่นี้จะกล่าวแต่โดยเขาเงือนเท่านั้นอุตริมนุสธรรม แปลว่าคุณยังยวดยิ่งของมนุษย์หรือแปลว่าคุณของมนุษย์ผู้ยวดยิ่งความก็ลงรอยเดียวกันคนในครั้งนั้นเขานับถือการทำใจให้เป็นสมาธิลงได้และการทำใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสว่าเป็นความรู้อย่างสูงเราบผลวิเศษต่างๆมีมูลมาจากความรู้สองอย่างนี้โดยมาก การทำใจให้เป็นสมาธิพึงรู้อย่างนี้ใจนี้อบรมดีแล้วย่อมเห็นอัฏฐะเห็นธรรมะแจ้งชัดทำอะไรย่อมจะสำเร็จแต่ใจนี้โดยปกติมีอารมณ์ไม่ดีเข้าขัดขวางไม่ให้แน่แนวลงได้ซึ่งเรียกว่านิวรนนิวรนท่านแจกเป็นห้าความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรรม เรียกว่ากามาชันหนึ่งความงุนงานด้วยกำลังโทสะอย่างสูงถึงให้จองล้างจองพลานผู้อื่นเรียกชื่อตามอาการถึงที่สุดว่าพยาบาทหนึ่งความท้อแท้หรือคร้านและความง่วงงุนรวมเรียกว่าทีนมิทาเพราะเป็นเหตุหดหู่แห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวร์อีกหนึ่ง ความฟุ้งซ่านหรือคิดพลานและความจืดจางเร็วรวมเรียกว่าอุทธจักุตกุจจะเพราะเป็นเหตุกำเริบไม่อยู่ที่แห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวร์อีกหนึ่งความลังเลไม่แน่ลงได้เรียกวิจิกิจฉาหนึ่งการทำจิตให้ปลอดจากนิวร์เหล่านี้รักษาให้แน่แน่วชื่อว่าสมาธิ สมาธินั้นที่เป็นอย่างต่ำไม่แน่แน่วจริงๆทำได้เป็นอย่างดีก็เป็นแต่เฉียดเฉียดใกล้ๆเรียกอุปจารสมาธิที่เป็นอย่างสูงเป็นสมาธิอย่างแน่นแฟ้นแน่แน่วลงไปจริงๆเรียกอัปปนาสมาธิสมาธิอย่างต่ำมีได้แก่สามัญชนท่านไม่จัดว่าเป็นอุตริมนุสธรรม สมาธิอย่างสูงเฉพาะมีแก่บางคนที่เป็นผู้วิเศษท่านจึงถือว่าเป็นอุตตริมนุสธรรมเรียกว่าฌานโดยมากกว่าอย่างอื่นฌานนั้นในคมพีวิพังแจกเป็นสี่ตามที่นิยมมากในพระพุทธศาสนาเรียกว่ารูปฌานเพร้อมมีรู ป, ปรธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ฌานสี่นั้นเรียกชื่อตามลําดับ ปุรณะสังคญาว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สหรือใช้ศัพท์เช่นนั้นในภาษามาคตว่าปัธรมทุติยตติยจตุตถะท่านกำหนดด้วยองค์คสมบัติดังนี้หนึ่งปัธรมฌานหรือปฐมฌานมีองค์ห้าคือยังมีตรึกซึ่งเรียกว่าวิตักกะหรือวิตกและยังมีตรอง ซึ่งเรียกว่าวิจาระหรือวิจารเหมือนอารมณ์แห่งจิตคนสามัญแต่ไม่ประกอบด้วยกิเลสกรรมและอกุศลธรรมซ้ำ ม, มีปีติคือความอิ่มใจและสุขคือความสบายใจเกิดแต่วิเวก ค, คือความเงียบกับประกอบด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งลงไปซึ่งเรียกว่าเอกคัตตา สทุติยฌานมีองค์สามละวิตกวิจารเสีได้คงอยู่แต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิกับเอกาตคตา3มตติยฌานมีองค์สองละปีติเสีได้คงอยู่แต่สุขกับเอกาตคตาสี่ จตุทถาชาญมีองค์สองเหมือนกันละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขาคือเฉยเฉยกับเอกคัตาชาญสี่นี้จัดเป็นอุตริมนุสธรรมประเภทหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจิตอันบริสุทธิจากกิเลสคืออารมณ์เครื่องเศร้าหมองใจย่อมเป็นมูลสำคัญแห่งความระพฤติบริสุทธ์ ความสุขใจความเมตตากรุณาอันเป็นเหตุควรควายเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทั่วไปท่านผู้มีใจบริสุทธิ์จึงเป็นที่นิยมนับถือของคนอื่นจะชักอุทาหรณ์พอเห็นง่ายๆคนใจดีใจเย็นย่อมเป็นที่รักนับถือของคนทั้งหลายมิใช่หรือยิ่งมีใจเผื่อแผ่ด้วยความรักความนับถือก็ยิ่งมากขึ้น ความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นทําได้เป็นพักๆ ก, ก็มีเช่นดับความโกรธได้แล้วภายหลังความโกรธเกิดขึ้นอีกเพราะเหตุอันมากระทบกระทั่งทําได้ยั่งยืนก็มีคือลากิเลตย่างใดขาดแล้วกิเลตนั้นก็ขาดไปทีเดียวไม่เกิดขึ้นอีกความบริสุทธิ์ยั่งยืนนี้ท่านกล่าวยกย่องเป็นอย่างสูงว่าโลกุตรธรรม แปลว่าคุณล่วงโลกขึ้นไปคือพ้นวิสัยของสัตว์ตวโลกโลกุตระ ธ, ธรรมนี้แจกเป็นมรรคและผลมีประเภทละสี่กับพระนิพพานหนึ่งรวมเป็น9ก้าอย่างผู้ปรารถนาจะเข้าใจพึงรู้จักสังโยชนิปรการก่อนกิเลส อ, อันผูกใจสัตว์อยู่ชื่อว่าสังโยชน จำแนกออกเป็นสิประการคือ 1. ศสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาคเครื่องดำเนินของตน 3. ศิลปพตาปรามาต ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใจว่าจะมีได้ด้วยศีลหรือพรตอย่างนั้นอย่างนี้ล่วงธรรมดาวิสัย 4. กามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามเรียกแต่เพียงว่าราคะก็มีห้าปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งแห่งจิต ได้แก่ความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะเรียกโทสะตรงทีเดียวก็มีห้าข้อนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำคืออย่างหยาบเรียกโอรัมพาคิยะ 6. รู ป, ป ร, ราคะความติดใจอยู่ในรู ป, ปรธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในพัสดุบางสิ่ง แม้ในวัตถุอันเป็นอารมณ์แห่งรูปฌานเจ็ดอารูปราคะความติดใจในอรูปธรรมเช่นพอใจในสุขเวทนาแปดมานะความสาคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เก้าอุทจจะ คือความคิดพลานเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. บอวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริงอีกห้านี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงคืออย่างละเอียดเรียกอุทธรรมภาคิยะ ญาณคือความรู้เป็นเหตุลาสังโยชน์เหล่านี้เด็ดขาดเรียกว่ามัคมัคนั้นจำแนกเป็นสี่ด้วยอำนาจกำจัดสังโยชน์แต่เพียงเอกเทศบ้างสิ้นเชิงบ้างพึงรู้ดังนี้ 1. โซดาปฏิมัคเป็นเหตุลาสังโยชน์ได้สามคือสักกายาทิฏฐิวิจิกิชฉาศิลป์พตาปรามาตย์ สสกัดทาคามิมักเป็นเหตุลาสังโยชน์สามข้างต้นนั้นกับทรรมราคาโทสะโมหะให้เบาลง3อนาคามิมักเป็นเหตุลาโอรัมพากิยาสังโยชน์ได้ทั้งห้าสี่อรหัตตมักเป็นเหตุลาสังโยชน์ได้ทั้งสิบตามในยะที่กล่าวมานี้ สกัดธาคามีมักไม่ชัดเหมือนมักอื่นแฝงอยู่ในระหว่างโสดาปฏิมักกับอนาคามิมักและคำว่าทำราคะโทสะให้เบาลงนั้นก็ไม่ชัดว่าเพียงไรสันนิษฐานได้แต่เพียงว่าราคะโทสะที่แรงกล้าเป็นเหตุไปอบายเช่นกาเมสุมิชาจา์และพยาบาทสงบมาแต่ครั้งโสดาปฏิมักแล้ว แปลว่าท่านผู้เป็นโซดาบันไม่ทำกาเมีุมิชาจาร์และไม่จองเวรแก่ผู้อื่นแต่ยังมีภรรยาสามีตามประเพณีโลกและยังโกรธผู้อื่นฝ่ายอนาคามิมักกำจัดราคาโทสะนั้นสิ้นเชิงแปลว่าท่านผู้เป็นพระอนาคามีเป็นโสดไม่มีคู่ไม่ผูกสมัครรักใครในทางกรมไม่โกรธขึ้นใคร ราคาโทสะอันสกาศทาคามิมักทำให้เบาลงนั้นแปลว่ายังมีแต่ไม่ใช่อย่างแรงร้ายจะอธิบายว่ามีห่างๆหรือมีอย่างสุ ข, ขุมก็ไม่ปรากฏว่าเพียงไรอีกและโมหะนั้นจะขาดเด็ดเพราะอารหัตตมักสกาศทาคามิมักทำให้เบาลงได้เพียงไรไม่ชัดเหมือนกัน จึงยังเป็นมักที่มัวธรรมารมอันเกิดสืบเนื่องมาแต่มักสวยกำไรที่มักได้ทำไว้นั้นเรียกว่าผลผลนั้นมีชื่อเป็นสี่ตามมักจะนำข้ออุปมามาเปรียบมักกับผลพอเล็งเห็นสังโยชน์เหมือนโรคในกาย มักเหมือนการรักษาโรคให้หายผลเหมือนความสุขสบายอันเกิดแต่ความสิ้นโรคอีกอุ ป, ปมาหนึ่งสั่งโยดเหมือนโจรในป่ามักเหมือนกิริยาปราบโจรผลเหมือนความสงบราบคาบเกิดมีเพราะหมดโจรความดักขัน คือรูปกับจิตเจตสิกนี้อันเหลืออยู่ภายหลังแต่ดับกิเลสได้สิ้นเชิงด้วยอรหัตตะมักไม่มีอะไรเป็นเชื้อเหลืออยู่เรียกว่านิพพานอธิบายพอเล็งเห็นพระอริยะเจ้าผู้ได้บรรลุพระอรหัตแล้วเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นดับจิตแล้ว ท่านกล่าวว่าไม่ต้องไปเกิดในภพอีกเหมือนสามัญสัตว์เรียกว่านิพพานยานและโลโกตรรธรรมสองประเภทนี้เป็นหลักอยู่ในอุตริมนุสธรรมที่ท่านแจกในคำพีวิพังชื่ออื่นย่อมเป็นไวยพธหรือคำสำหรับเรียกแทนกันของธรรมสองประเภทนี้แทบทั้งนั้นที่ต่างออกไปเช่นโพธิปัจิยธรรม อันแจกในบทมัคคภาวนาก็หมายเอาทำอันสัมปยุทธ์ด้วยมัคคือประกอบด้วยมัคคาว่ากล่าวอวดน้อมเข้ามาในตนนั้นอวดจังๆว่าข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าถึงทําอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่ครั้งนั้นครั้งนี้ก็ตามเมื่อผู้ที่ภิกษุจงใจจะอวดเข้าใจความเห็นคําพูดว่า ผู้พูดพูดด้วยประสงค์อย่างไรเป็นอาบัติป ร, ราชิกพูดอวดไม่เจาะจงหรือจะพึงกล่าวว่าเจาะจงคนมากคนเหล่านั้นแม้ผู้หนึ่งเข้าใจเป็นป ร, ราชิกเหมือนกันเขาเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นประมาณเขาไม่เข้าใจความแห่งคําที่พูดเช่นเป็นคนต่างภาษากัน พูดฟังกันไม่เข้าใจเช่นนี้เป็นอาบัติทุนละใจภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมโดยอ้อมคอมคืออ้างลักษณะแห่งรูปประพันธ์ก็ดีอ้างบริขารคือบาดจีวรก็ดีอ้างที่อยู่ที่อาศัยก็ดีอ้างอื่นอื่นอีกก็ดีกล่าวว่าภิกษุมีรูปร่างผิวพธุ์เช่นนั้นใช้บาดจีวรเช่นนั้น อยู่ในตำบลชื่อนั้นสุดแต่จะนำความเข้าใจของเขามาในตนได้เพียงไรเมื่อเขาเข้าใจเป็นอาบัติทุนละใจเมื่อเขาไม่เข้าใจเป็นอาบัติทุกกฎอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะคือต้องมีเจตนาเพราะเหตุนั้นไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้พูดด้วยสาคัญว่าได้บรรลุ และภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์ในอันจะอวดอ้างเช่นอานสิกขากล่าวคาอวดอ้างนั้นว่าอย่างไรเป็นตัวอย่างป ร, ราชิกสิกขาบทสี่นี้ภิกษุล่วงแต่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อจะอยู่กับภิกษุทั้งหลายอีกเหมือนในการที่ยังไม่ล่วงเป็นป ร, ราชิกหาสังวาดไม่ได้แม้จะอุปสมบทอีก ก็ไม่เป็นภิกษุอีกโดยชอบด้วยพระวินัยตลอดชาติคือหมายถึงในชาตินี้อาบัตในสิกขาบทสี่นี้จึงเป็นอเตกิจชาแก้ไม่ได้เป็นอนาวเสสะหรืออนาวเศษหาส่วนเหลือมิได้เป็นมูลเชตคือตัดรากเงาภิกษุเจะรล่งมิได้เลย